มาลกกับของทัพมารของทัพพระพุทธเจา้าที่พุทธเจ้าชนะมาร น, นี่ท่านใช้อาวุธอยู่สองชิ้นอาวุธชิ้นแรกคืออะไรแม่ธรณีอาวุธชิ้นที่สองคือมวยผ ม, มเรามีไหมเราฝึกฝึกสองตัวเลยฝึกแม่ธรณีก็คือความอดทนแม่ธรณีแปลว่าแผ่นดิน ธรณีแปลว่าแผ่นดินเพราะแผ่นดินเนี่ยมันสามารถตั้งรับได้ทุกอย่างตั้งรับใครจะขุดจะขุนใครจะเผาใครจะฝังอะไรลงไปมันก็รับได้หมดเพราะฉะนั้นจิตที่มีแผ่นดินจิตที่มีธรณีคือจิตนั้นรับความไม่สบายทุกอย่างได้เวลาเราออกกำลังกายเราหนักเราเหนื่อยเราก็รับได้อุทน นี่เรียกว่าเป็นการมีแม่ธรณีเรา อ, อยู่ไม่สบายกินไม่สบายหลับไม่สบายเดินไม่สบายก็ใช้ความอดทนเวลาเราไปอยู่แคมป์อยู่ค่ายเนะี่ยมันไม่มีความสะดวกสบายอะไรเหมือนที่บ้านอะไรก็ติดขัดไปหมดเราใช้มแม่ธรณีเป็นอาวุธคืออดทนอดกัน้นให้แล้วก็อดทนนี่ไม่ใช่เก็บกดนะ แต่ถ้าหาว่าขาดอาวุธอันที่สองความอดทนจะครายความเป็นการเก็บกดการเก็บกดคือกดข่มใจเอาไว้เสร็จแล้วมันไม่พอใจอะมันกดเอาไว้อันนี้ไม่ดีต้องใช้อาวุธอันที่สองคือบีบมือผมคาว่าบีบมือผมคือใช้ปัญญาน้ำออกมาจากมือผมคือใช้ความคิดใส่หัวคิดว่าเอ อันนี้อะไรอะไรพิจารณาสู้ดว่าเราทานข้าวมาอร่อยเราอดทนเออทานข้าวมาอร่อยก็ใช้ปัญญาเออทานเราทานอร่อยมาตลอดชีวิตแล้วทานมาอร่อยนะบ้างก็ดีเพราะชีวิตนี่จะให้มันอร่อยตลอดนี่ไม่ได้ครับมันเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราเป็นอ้วนเป็นโรคอ้วนเป็นโรคความรันเบาหวานหั ว, หวใจเพราะเรากินอร่อยเกินทุกวันนี่แหละ เพราะอาหารอร่อยเป็นพิษต่อร่างกายพอทานอาหารไม่อร่อยบ้างอันนี้เราใช้ปัญญาพิจารณามันก็รับได้แล้วอดทนแบบเข้าใจอดทนก็คือขันติเข้าใจก็คือปัญญาแต่อดทนแบบไม่เข้าใจแล้วว่าอดทนแบบไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นความเก็บกดความอึดอัดความขับแค้นความไม่ความขัดแยง้งนี่เรียกว่าอดทนแบบเก็บกดเหมือนกับ สามีอดทนต่อภรรยาภรรยาอดทนต่อสามีอดทนด้วยความไม่เต็มใจสามีว่าอะไรที่ไม่ถูกใจก็อดทนเอาไว้เพรเราเถียงสู้ไม่ได้กําลังสู้ไม่ได้ก็อทนเก็บกดเอาไว้พอถูกด่าถูกว่าถูกบ่นบ่อยเข้าไปเข้าวันหนึ่งมันเกิดแล้วเบิดขึ้นมาได้ทะเลาะกันได้ตบ ก, กันตีกันได้ฆ่ากันนี่เขาเรียกว่าอดทนแบบเก็บกดวันหนึ่งมันระเบิดขึ้นมา มันก็จะทำร้ายกันหรือภรรยาอดทนต่อการด่าว่าการเสร็จสีของสามีเราก็อดอดไปอดมาวันหนึ่งก็ราระเบิดขึ้นมาได้ตบได้ตีได้แช่งได้ดา่าได้ทำร้ายร่างกายได้ฆ่าได้แกงกันก็เพราะว่าขาดความเข้าใจการปฏิบัติก็เหมือนกันเรามาปฏิบัตินี่เราก็อดทนทั้งสองอย่าง อดทนต่อการหลับต่อการง่วงถ้าง่วงนี่เราต้องอดทนใช่ไหมถ้าไม่อดทนมันก็จะง่วงหลับอยู่อย่างนั้นต้องใช้ความอดทนก็ใช้ปัญญาว่าเออขณะที่เรานั่งเพลินเนี่ยนะมันก่อให้เกิดความหลงความไหลความหลับเราก็ทํ า, า, าให้ตื่นขึ้นการคิดเอาไว้ให้ตื่นขึ้นแล้วว่าใช้ปัญญาเราต้องทนนั่งนานๆทนฟังนานๆทนไม่สบายนานๆใช้ความอดทน แต่พอเราอดทนต่อไปไมันจะอึดอัดมันเจ็บมันปวดมันไม่สบาย อ, อึดอัดนี้ไม่ได้ใช่ปัญญาแล้วพอเราเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อการอดทนนี้ทําให้จิตเรานิ่งทําให้ร่างกายเราหนักแน่นขึ้นถ้าหากว่าเรารักแต่ความสบายเวลาไปทํางานต้องตากแดดตากฝนต้องอยกของหนักของเบาต้องหนักต้องเหนื่อยถ้าเราไม่อดไม่ทนเราก็ทํางานไม่ตลอดเราก็หนีงานบ้างอู้งานบ้างขี้เกียจบ้างรายไ ด, ด้ก็ไม่ดีงานก็ไม่สําเร็จ เพราะขาดความอดทนเราพวกลูกเหล็กเด็กแดงเราเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอดทนไปเล่นเงินส่วนใหญ่พอไปทำงานก็ไปไม่รอดในที่สุดเรียนจบออกมาก็ทํางานก็ไปไม่รอดก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่มากินสมบัติเดิมของพ่อของแม่เรียนไม่จบหรือเรียนจบทํางานไม่ได้เพราะขาดความอดทนเพราะไม่มีปัญญาการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราขาดคุณธรรมสมบัติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก็เพราะ อาศัยคุณธรรมสองประการนี้แต่ว่าท่านทำออกมาเป็นปิศนาว่าเมื่อท่านคิดถึงบ้านถึงเมืองมาอยู่ป่าอยู่ดงห้าหกปีออกบทแล้วเนี่ยยังไม่ได้เห็นมรรคเห็นผลอะไรเลยทอ้อถอยเอ๊กลับบ้านดีกว่าลนะออกมาหกปีแล้วหนีลูกนี้เมียมาบวชหนีทรัพย์สมบัติมาบวชหนีพ่อหนีแม่มาบวชมันคิดคิดคิ ด, คดในที่สุด ท่านทนดูมันทนดูมันคิดโอ้เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดแบบนี้วันนี้ทําไมคิดแบบนี้ท่านก็ดูดูดูดูดู ด, ด, ดูความคิดอันนี้ดูไปเรือ่อยเื่อยในที่สุดอ๋ออันนี้มันเป็นความคิดนีิมันเป็นอดีต ท, ท่านก็เลยอ๋ออันนี้มันเป็นมาร น, นี่ความคิดจะเป็นมารความคิดเรื่องท้อถอ ย, รอ เ, อยเรื่องเบื่อหน่ายเรื่องอดีตนอดีตมันเป็นมารท่านรู้ทันมารปั๊บเลยดูมัน ด, ด, ดูดูดูดูรัสละทิดด้งอยู่ัศลนดิ้งตัวเข้าไปดูความคิดที่เป็นอกูศลทั้งหลาย <S <S เรียกว่าปัญญาใช่ไหมเมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ ว, ว่าจะเอาพระไปคืนให้คุงใสน่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยใช่ไหมตอนเช้านี้เห็นนั่งง่วงนะใช่ว่านอนไม่หลับาขาดพระโอ้ไม่ได้พระปัญญาณนอนหลับไม่ได้หนหลวงพ่อจะทดลองว่าคุณขาดได้ไหมวันหนึ่งคุณขาดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนตอนที่ท่านไปไอ วัดอันนี้ถ้าเราให้ฟังนะถ้านจะไปเผยแพร่ที่ไปช่วยหลวงพ่ อ, อคำเขียนอยู่วัดป่าท่ามาไฟหวานอตอนขึ้นเขาไปเพราบวันท่ามะไปบวานไปถึงมีแกงคอนะต้องขึ้นเขาไปสมัยนั้นมันไม่มีรถต้องเดินขึ้นอที่นี่ไปถึงกลางเขาเนี่ยมีผู้ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งสวนทางลงมาเอา้าคุณจะรีบวิ่งไปไหนผมลืมพระลืมตรงไหน ตรงเพราะอาทิตย์ระหว่างตีนเขาเนี่ยมันมีแอ่งน้ําเล็กๆอยู่คนต้ไปกินน้ําตรงนั้นก่อนขึ้นเขาทีตอนที่แกจะดื่มน้ำแต่ก้มดื่มน้ํามันไ ม, ม่ขันเนี่ยน้ําในห้วยแห่งนี้แกต้องปลดพระเครื่องออกเพราะถ้าดื่มน้ําทั้งทาง่านี้พระเครื่อ ง, องถือว่าเป็นข้ามหัวพระนะก็ปลดพระออกไว้ดื่มน้ําด้วยความรีบร้อนอนะ่ะพอดื่มน้ําเสร็จเราก็รีบขึ้นเขาไปเลย พอไปเกือบจะถึงข้างบนแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมพระ ไ, ะไออระระว้ที่แอ่งน้ำวิ่งกลับลงมาอวิ่งกลับลงมาก็ไปเจอหลวงพ่อเทียนวัดีหลวงพ่อเทียนกำลังเดินสวนขึ้นไปหลวงพ่อถามว่าโยมนี่ไปไหนอ๋อผมลืมลืมพระหลวงพ่อลืมไว้ที่ไหนที่แอ่งน้ํำที่ขึ้นมาเอ้าคุณวิ่งขึ้นลงแต่คุ ณ, คณอ่าเป็นลงตายยังว่างไงถ้าหากว่าพระดีจริงพระต้องบอกเราดิน้องน้องน้องลืมพี่แล้วนะ อันนี้ไม่บอกเราเลยอะ่ะทําให้เราเหนื่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วพระคุณมัดียังไง <c oughs> เออมันไม่เตือนเราเลยลเราวิสัยลืมเราก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเหนือ่อยพาะมันอะ่ะเพราะนั้นนี่พระไม่เจอหลวงพ่อคุณวิ่งขึ้นวิ่งล ง, ล ง, ลงคุณไปลมทายว่าไงพระช่วยคุณได้ไหมว่า ง, งั้นโอ้โยมคน้ณก็ได้สติเอา้าค่อยๆเดินลงไปถ้าไม่มีใครไปมันก็อยู่ตรงนั้นแหละถึงวิ่งถ้ามีคนเอาไปคุณคุณวิ่งคุณวิ่งลงรีบมันก็ไม่มีอยู่เลยแต่เนี่ยไม่มีใครอยู่เพราะนั้นคุณไม่ต้องรีบว่างั้น เห็นไหมแก็ค่อยขึ้นหลวงพ่อก็นั่งรอตรงนั้นแหละหลวงพ่อจะรอเนี่ยก็ขึ้นไปแต่ถ้าสมมติมันหายไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาให้ใหม่เหมือนกันหลวงพ่อสงสารหลวงพ่อเทียนเนี่ยสงสารนก็เอายงก็ไปเอาพระได้พอดีเนี่ยไม่มีใครไปนะกลับขึ้นมาพบหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งคุยก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเาพระนี่คุณมันดียังไงแล้วว่ามันดี มันทำมันพูดไม่ได้ไอเราลืมันมันมันใครรักษาใครเนี่ยพรรักษาคุณแล้วคุณรักษาพระเอนกันนะเนี่ยคุณรักษามันมันไม่ได้รักษาคุณเลยเนี่ยเนี่ยคุยกันไปกันมาเราเนี่ยไปอุตส่าห์เอาอิดเอาดินเอาหินเอาปูนเขาอ่าบอกว่านี่ดินตรงนั้นร้อยปีดินตรงนั้นพันปีเรามานเปของขลังนะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยหมอของหลวงพ่อชื่อว่าหมอ วัฒนาเนี่ยหมอไปจำตัวหลวงพ่ออยู่ที่วัดสนามในแกไปทํางานอยู่ที่แกเล่าให้อูโบสถคนนั้นฟังนะนิทรรศนิทานสอนนิทานเหมือนกันเอยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นหมอชื่อหมอวัฒนาวันหนึ่งเนี่ยหมอแกแกทำโรงพยาบาลอยู่ที่สุโ ข, ขทัยเพราะสุโขทัยเนี่ยมันมีเครื่องลังของขลังเยอะใช่ไหมของเก่าเยอะเวลาคนไข้คนป่วยไปคลินิกไม่มีตังค์ให้ก็เอาพระ พระเทพไปให้พระรูพระเหรียญว่าพระดีแต่เขาเก็บไว้เยอะเลยเขาบอกเกจจุปหมอใหม่ๆเขาก็ติดพ้าเครื่องเพราะมีคนเอาไปให้เยอะทีนี้วันหนึ่งหมอเนี่ยก็เอาพระเครื่องไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไดยพระเนี่ยผมได้พระดีมาองคหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยนะเอาดินเจ็ดป่าช้าแต่อป่าช้าใจแห่งนี้มันเจ็ดร้อยปีทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเขาก็ดินเจ็ดป่าช้ามาปั้นเป็นพระอนนี้ขังขังมากอืมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าขัง หลวงพ่อก็เลยเอาพระที่อยาให้ดูพ่อก็วางพระไว้ตรงนั้นแล้วหลวงพ่อก็เดินมาหน้ากุฏิแกก็ถามหมอหมอรู้ไหมว่าดินที่หลวงพ่อเหยียบกับดินที่มาปั้นพระคุณเ น, น, นี่ยอันไหนอายุนานกว่ากันโอ้โหหมองงเลยว่าดินที่งพอเหยียบมันตั้งหลายล้านปีเนี่นะแต่ดินหมอแค่เจ็ดล้านปีสู้ที่ดินที่หลวงพ่อเหยียบไดไม่ได้หมอก็เลยได้สติ อ๋อไอเรามันถูกโปรโมทโฆษณาว่าของนี่ดีของนี่แขังก็อุตส่าห์มาแขวนคออุตส่าห์บูชาพองค์เป็นหลายแสนเน่ยมีหมอคนหนึ่งมาปัจจุบันในทําหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหมอทววัตอนที่แกยังไม่ได้มาปฏิบัติเจริญสติปัตย์กมีอ่าสมเด็จวัลขังเขามาให้องค์ละแสนแกยังไม่ขายเลยนะพอมาเข้าใจธรรมะแล้วแกขายหมดเลย แล้วเอาตังที่ขายพระมาสร้างพิพิธภัณฑ์วัดเฮียนจนทุกวันเนี่ยไม่เชื่อไปดูที่วัดดอยนั่นคือเงินของหมอหมอท้าวอนพอพอเข้าใจธรรมะมันเลิกหมดว่าพิสิงที่สิ่งที่ขังที่แท้จริงคืออะไรธรรมะธรรมะรักษาเราถ้าเราจเจริญสติสติคอยเตือนเร า, าใช่ไหมเตือนเราไม่ให้กโกรธเตือนเราไม่ให้โลภเตือนเราไม่ให้หลงเตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้คือขังที่สุด คือพระสติพระสมาธิพระปัญญาแล้วหายไหมพระเหล่านี้หายไหมไ้้แขวนคอไหมแขวนไว้ที่ไหนพระเราเนี้พระสติพระสมาธิแขวนไว้ที่ไหนแขวนไว้ที่ใจแล้วรักษาเราได้ใช่ไหมแล้วเราไปไหนแล้วขาดสติเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเกิดอุัติเหตุเพราะเรามีสติปรกสติรักษาเราหมอก็อธิบายให้โยมคนนั้นฟังในที่สุดโยมคนนั้นก็โอ้ก้มลงกราบหลวงพ่อ เราก็เลยตามหลวงพ่อไปที่วัดโมกขอนแก่นอตามไปที่มันโมกขอนแก่นก็ไปเจอเอไปเจอคนในเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เขื่อนน้าพองไปหาหลวงพ่ อ, อะเขาเป็นลูกศิษย์พระธรรมยุทธเนาะก็รู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาเพราะพระวิปัสสนาจะรู้รว่าพระรุ่นไหนดีรุ่นไหนขังแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนแต่แกไม่รู้หลวงพ่อเทียนสอนวิปวัสสนาก็รู้ว่าสอนรู้สอนวิปัสสนาแต่ไม่รู้ว่าสอนแบบไหนก็ไปถาม หลวงพ่อเทียนเอาภาพไปให้หลวงพ่อเทียนดูอีกอะ่ะอืมถามหลวงพ่อเทียนแต่ว่าหลวงพ่อว่าเอาไว้ก่อนคุยกันก่อนคุณเคยปฏิบัติมานานเท่าไหร่ปฏิบัแบบไหนที่มาถามปฏิบัติแบบพูดโธครับปฏิบัติแบบไหนแบบพูดโทแล้วไอ้มันช่วยคุณได้ไหมแบบโทช่วยได้ช่วยยังไงทําให้นั่งแล้วมันเกิด สมาธิแล้วทําให้ปลุกเสกพระให้คลางศักดิ์สิทธิ์แต่คุณต้อมนั่งหลับตาใช่ไหมใช่แน่เลยไในลองทําให้หลวงพ่อดูหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะทําเนี่ยเอาสร้อยเอาอองเอาพระเครื่องเอาแหวนอะไรที่ใส่ไปนะออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะว่าสุบพิสูจน์ไม่ได้แกก็เลาะ อ, ออกมาหมดนะสร้อยนาฬิกาพระเครื่องออมากรอข้างหน้าเอ้าคุณนั่งทำไงนั่งขัสมาดหลับตา คำบุหายใจพุโทโธขณะที่แกนั่งสมาธิสักห้านาทีเนี่ยหลวงพ่อก็บอกอ้าพอแล้นตื่นขึ้นมาออกจากสมาธิมาก็ถามอาของที่อยู่ข้างหน้าพี่หายไปไหนไม่รู้ครับอ้าททำสมาธิของหายไม่รู้จะสมาธิมันจะดีได้ไงเจริญสติของหายไม่รู้มันจะรักษาของคุณได้ไงเอาคุณนั่งใหม่ทําแบบหลวงพ่อมันยกมือ ไม่ต้องหลับตายกมือไปในขณะนั่งยกมือแบบสี่อย่างพ่อสาธิตให้ดูนะได้ขณะที่แกทําเป็นก็นั่งทํขาขณะนั่งทําหลวงพ่อก็วิธีที่มันหายไปเพราหลวงพ่อย้ายไอ้ของนี่จากข้างหน้าไปว่าข้างหลังเท่านั้นเองนะแกไม่รู้เพราะแคหลับตาใช่ไหมพอแคนั่งสร้างยาวดื่มตาแก่ๆย้ายของม็เห็นเลยนะย้ายจากข้างหลังมาว่าข้างหน้าคุณรู้หรือยังว่าพระวิธีมันหายไปไหนรู้แล้วครับรู้ได้ไง พราะต้ง เ, เห็นหลวงพ่อย้ายมาจากข้างหลังนี่เองแล้วเห็นของหายแล้วมันดีหรือไม่ดีโอ้พูดไม่ได้เลยมันจริงใช่ได้เมื่อกี้คุณนั่งหลับตาแล้วของหายคุณไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คุณนั่งเลื่มตาของหายแล้วคุณรู้แล้วมันใครเอาไปใช่ไหมัมนมานาจากไหนคุณว่าอันไหนดีกว่าโอ้เงียบเลยทีนี้เห็นไหมอันนี้คือหลวงพ่อเทียนท่านจะพิสูจน์อะไรให้เห็นเฉพาะหน้าเลยโดยที่ไม่ต้องอไปบอกว่าดีไม่ดีมิแต่พิสูจน์ให้เห็นเฉพาะหน้า ว่าพระสติพระสมาธิพระปัญญาดีกว่าพระข้างนอกอย่างไรพระข้างนอกเป็นเรื่องโปรโมทโฆษณาว่าคนนั้นมันขลังศักดิ์สิทธิ์นะถ้าจะเห็นว่าอันนี้ก็ทําให้ขลังเพราะคำพูดของคนมันไม่ใช่ขลังจริงนะแต่ว่าตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาหรือตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรามันขลังยิ่งกว่านั้นขลังเพราะความโลภเข้าไม่ได้ ความโกดเข้าไม่ได้ความหลงเข้าไม่ได้อ่าหลวงพ่อเทีนก็บอกที่ว่าแขวนพระแล้วฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาเขาทะเลาะเขาจะฆ่าจะฟันเขที่ไหนก็อย่าเข้าไปอเวลาเขายิงกันที่ไหนได้ข่าวแล้วก็อย่าออกไปเนี่ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกคือพระสติมันเตือนเราอย่างนี้แต่คุณมีพระขังศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาเขายิงเข้าฟันเขาทะเลาะบวชแฝงกันไหนคุณออกไปเดี๋ยวโดนลูกลงกรรมมามก็โดนดีน่ อันนี้คือวิธีการนำเสนอว่าการที่เราจะใช้ถืออะไรต้องใช้ปัญญาคือมีเครื่องมืออาวุธสองตัวคือมีความอดทนสองคือมีปัญญานะดังนั้นการมาฝึกเนี่ยเราก็จะใช้คุณธรรมสองประการนะ น, นั่งรัางเยียวอ่ะญาติโยมไม่เคยนั่งทำแบบนี้ที่บ้านมาเลยใช่ไหมนั่งทีจะเป็นวันวันอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยจนั่งหลับเพื่อนหลับไม่ถึง ห้งวันน่ะแค่แค่ชั่วโมงเดียวก็ไปไม่รอดในนั่งหลับตาสมาธิใช่ไหมคุณก็ลุกไปทําเรื่องอื่นแล้วแต่ที่นั่งลืมตานั่งนั่งทําได้ทั้งวันน่ะใช่ไม้มเพราะเราไม่ได้นั่งนิง่งๆเราปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ตัวธรรมะมันก็เจริญองอกงามเพราะมันต่อเนื่องอย่างเงนะเพราะฉะนั้นการทําวิธีการหลับตานั่งทําสมาธิแบบอื่นเนี่ยเรานั่งทําได้ก็จริงแต่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกพอเคยนั่งแล้วอย่างสูงสุดไม่เกินสามชั่วโมงหรอกพ่อเคยนั่ง สามชั่วโมงนี่นะหนึ่งถ้าไม่หลับก็เข้าสมาธิเข้าฌานแต่เข้าฌานได้น้อยมากส่วนใหญ่ก็นั่งหลับนั่งง่วงกแหละตลอดเพื่อให้มันได้ครบชั่วโมงนั่งหลับนั่งสลืมสลือไปงูวางไปง่ากไปตื่ขึ้นมาก็เอายืะนงะั้นแหละพระส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นถามว่ามีสติไหมในขณะนั่งง่วงนี่มีสติไหมเมื่อมีสติสมาธิเกิดไหมไม่เกิดเมื่อมีสมาธิปัญญาเกิดไหมแล้วนั่งเอาอะไรอ่ะ นั่งเอานั่งหลับเอาราคาโทสาโมหะ oh เออล้วนั่งเตจนนาดีแต่มันไม่ได้อีกตรงอีกอย่างเดียเพราะมันขาดขา ด, ด้ขาดกําลังสติแต่พอเรานั่งอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราไม่ได้นั่งนิ่งๆนะเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าสาระอยู่ที่รู้รู้ตัวคุณจะเปลี่ยนจะพลิกจะหมุนยังไงได้แต่ให้รู้สิทตัวว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันนะกายกับใจยูให้รู้สิรูรู้รู้รู้ตัวไปคุณจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ไม่ต้องหลับตาน่ะ พอหลับตาแล้วมันจะง่วงไม่ใช่อะไรหรอกไม่ง่วงก็หลับไม่ดับก็ง่วงก็สลับแต่ถ้าเราลืมตาเนี่ยมันหลับไม่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องคิดไปในสิ่งที่เราเห็นหรอกเห็นเฉยเฉยแต่ว่าให้รู้ว่าเราทําเนี่ยที่เราสาธิตเมื่อวานะใช่ไหมว่าเปลี่ยนทุกห้านาทีเปลี่ยนทุกเจ็ดนาทีเปลี่ยนทุกสิบนาทีเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเปลี่ยนอย่างไร อาการปวดเกิดขึ้นยังไงเวลาเปลี่ยนมันดับไปอย่างไรเราจะเห็นนี่ะเห็นมันหายไปชัดๆเลยเวลาแล้มันเกิดก็เห็นมันเกิดขึ้นชัดๆเลยนี้เรียกว่าดวงตาทำเกิดละเพราะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายในใจของตัวเองเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าไปเข้าเห็นทุกครั้งที่มันเกิดดวงตาทำแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นบางคน เห็นบ้างไม่เห็นบ้างดวงตาทำก็สว่างช้าบางคนง่วงอยู่ก็ยังไม่เห็นเลยว่าง่วงใช่ไหมโยมเมื่อคืนนอนหลับไหมน่ะนั่งนั่งง่วงอยู่เลยง่วงไปยังไงคืนนอนหลับเมื่อคืนนะนอนไม่หลับใช่ไหมคิดถึงที่นอนหมอนมุ้งที่บ้านนอนไม่หลับแล้วมานั่งง่วงเธอนี้ทั้งวันก็มานั่งง่วงกันหลายรอบนะก็ไม่ว่ากันขอให้แต่หลวงอาหลวงพ่อเห็นแล้วพอลงจีนนะแต่ที่สำนักเซนเนี่ย หน้าหหลังให้กันจนแล้วอาจารย์จะให้นิ้นน้อยถือใยไม้เดินตรงกลางเดินไปเดินมาใครเห็นใครง่วงมันดูอยู่ข้างหลังมันรู้ใช่ไหมมีอาการนิ่งๆแล้วสงบนิ้นน้อยก็ฟาดเต็มที่เนีเ่ยไปอี้ะสบายอาจารย์ไม่ให้โกรธ ด, ด้วยนะต้องกราบเิ้นน้อยด้วยนะให้กราบด้วยหลังจากปีแล้วนะมามาไปเห็นวิดีโอของเซนนะพระเซนเขาฝึกกันอย่างนั้นแต่ถ้าอาจารย์แบกเนี่ยอาจายไม่ได้แบกไม้ธรรมดาอาจารย์แบกไม้ไผ่เรือนนะ หายปั๊บเลยแล้วจะไปตีเป๊ะเดียวในสามทีนะปั๊บปั๊บปับยกมืออาจารย์ไว้ไว้อาจารย์อีกทีหนึ่งเอ้เขาฝึกกันจริงญี่ปุ่นถึงก้าวหน้ามืฉลาดแล้ญี่ปุ่นเข้ามังงะเศรษฐกิจทั้งโลกอะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาฝึกกันจริงจังไม่ใช่ฝึกเล็กเล็กน้อยนอย่างเราก่อโอ้โหดูวีดีโอเขาฝึกกันด้วยว่าจริงจังนั่งนิ่งเลยตัวตรงเนี้ยแหลยทําแล้วลต้องวันทั้งหลายชั่วโมงอะ ว่าหลายชั่วโมงเขาไม่ได้เสียเวลาไปนู่นไปนี่ก่อมาคนไหนเสร็จธุระมานั่งคนนี้มีธุระไปทําใช้เวลาที่สุดเสร็จธุระมานั่งทั้งวันแหะเขาก็ไม่ได้ว่าคุณลูกไม่ได้นะแต่มีธุระอะไรไปทําจะเข้าห้องน้าห้องส้วมไปกินข้าวกินข้าวกินพร้อมกันกินข้าวก็ไม่นั่งไม่ใช่นั่งทำเลยนี่เขากินไวเสร็จไวแล้วก็กลัมานั่งนั่งทั้งๆังที่กินข้าวใหม่ๆเนี่ย คุณมีสิทธิ์ง่วงง่วไปแต่ฉันมีสิทธิ์ตีหลังคุณอย่างนั้นนี่องตื่นถ้าคุณง่วงบ่อยคุณก็โดนบ่อยเหมือนนันน่ะแล้วคนมันจะกล้าง่วงบ่อยไหมง่วงทีไรมันโดนทุกทีนะฮะป้าป้าป้าวเลทีทีเดียวไว้ว่าทุกสามทีด้วยนะอดังนั้นการฝึกเนี่ยต้องจริงจังเจอทํำเล่นๆไปยังโยมไปหาเงินหาทองทํางานแต่ทํำเล่นๆจะได้เงินไหมจะเลี้ยงครอบครัวไหวไหมไม่ได้ต้องทํากันเอาเป็นเอาตายอ่ะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเฉย แต่ น, นี้เราหาสมาธิหาสติหาปัญญาเพื่อไปฆ่ากิเลสมันทําได้เล่นไม่ได้อะอะแล้วก็ตายเป็นตายอ่ะ <c oughs> ย่า ง, <c oughs> งพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานเลยใช่ไหมหลังจากที่ท่านตั้งใจที่ทําแล้วบอกอธิษฐานจิตว่าถ้าแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นข้าพเจ้านี้จะหือดแห้งไปก็ตามถ้าข้าพเจ้ายังไม่ ได้ดวงตาเห็นธรรมยังเง่อยครับตัดกิเลสไม่ได้ใครกิเลสไม่ขานข้าจะาข้าพเจ้าจะไม่ลูกจากบัลลังก์นี้แล้วอธิฐานมานั่งลงไปอ่าเราก็ต้องทําบ้างใช่ไหมข้าพเจ้านะจะนั่งปฏิบัติตรงนี้ถ้าอ่าจิตของข้าพเจ้ายังคิดยังปรุงแต่งยังฟุ้งซ่านยังง่วเหงาอยู่ข้าพเจ้าจะไม่ลูกไปที่ไหนดับใดที่เราอธิฐานในใจข้าพเจ้าจะ อภายในห้านาทีหรืสิบนาทีนี้เขาจะจะไม่ขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็อธิษฐานตามกําลังของเรานะแต่ถ้าอธิษฐานแล้วทาไม่ได้ไม่อธิษฐานนะเดี๋ยวโกหกตัวเองใช่ไหมผิดสัจญาตอธิษฐานเท่าที่ทําได้ถ้าเราคิดว่าเออเรานั่งได้แค่ห้านาทีก็อธิษฐานนะเออพระเจ้าจะนั่งสร้างเกี่ยวห้านาทีนะเปลี่ยนทุกหนาทีเออคนไหนมีกําลังมากหน่อยพระเจ้าจะปรับเปลี่ยนทุกสิบนาทีนะถ้าไม่ถึงสิบนาทีจะไม่กระดุกกระดิกจะไม่เปลี่ยนนะ อธิษฐานตามกำลังอันนี้ได้นะถ้าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานมันทําไม่เสร็จนะนะเรื่องการทํามาหากินาเราแม้แต่เรียนหนังสือเนี่ยเอาถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนมันจะจบไหมไม่จบเรียนจบแล้สวสอบอีกก็ตกเรียนไม่ผ่านนะแล้วก็อธิษฐานในการตั้งใจเรียนเพื่ออาิฐานแปลว่าตั้งใจอย่างเด็ดเดียวแปลว่าอย่างนั้นดังนั้นเองวันนี้เราเป็นวันที่สองแล้วความตั้งใจต้องมากขึ้น แล้วก็วันนี้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่เก็บโทรศัพท์ไว้กับตัวได้ขาดหลวงพ่อเตรียมบัตรเอาไว้แล้ววันนียเดี๋ยวออกมาแล้วก็มีลงชื่อเลยนะของสามเณรก็ต้องอามาด้วยนะสามเณรเอามาด้วยไหมโทรศัพท์อ่าคนไหนมีนะบางคนอาจจะไม่มีต้องมาลงชื่อคนไหนไม่มาลงชื่อหลวงอสมมติโยมเอาโทรศัพท์มาไห ม, ม, มไม่ได้เอามานะอะถ้าโยมเอามาก็มาใส่ถ้าโยมไม่เอามาเอามาแล้ว บอกว่าไม่ไดเอามาที่ก็ผีดศีลแน่นอะเออย่าเงี้ยทำไมเขาถึงผิก็เอามาใส่ไว้ถ้าใครมีสองเครื่องก็ามาสองเครื่องนะแต่ถ้าเอามาเครื่องนึงขยักไว้เครื่องถ้าหลวงพ่อไปเจือหลวงพ่อยึดเครื่องที่สองเลยนะจะไปเกลียดหลวงพ่อไม่ได้นะเราเราต้องตั้งสัญญากันย่นนอนนะเพราะว่าเพราะเร็วเพราะป้ อ, อ, องกันป้องกันมารจะมารบ ก, กวนมารมันมีสื่อมาทางไหนก็นจะมาทางนั้นแหละนะพอสักพักหนึ่งก็เอา เพื่อนก็นโทรมาเออนี่จงมาแนละ้วไม่มาไม่ได้เนะื้งานนี้พิเศษมากถ้าเธอไม่มานี่ขาดเลยเนี่ยหนะุ้นนี้เป็นล้านเลยนะมันจะได้เนะี่ยโอ้โหเดือดร้อนแล้วทีนี้ใจใหจร้อนวุบๆเลมอยู่ไม่ได้นะเอาเดี๋ยวหนึสายเขารีบมานะแม่ลงเข้าลงพยาบาลแม่ไม่สบายแม่เป็นลมฟุบไม่รู้เป็นอะไรนะอ่าเห็นไหมมานมันจะมาหลอกเราแบบนี้แหละแต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ไอ้ข่าวอาคุณส่วนเรานี่มันไม่เกิดหรอก นะพอเราตั้งใจดังนั้นอธิษฐานนะวันนี้หลังจากที่ทานข้าเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้หลวงพ่อก็ทำบัญชีไว้สมมติมว่าเราห้าสิบหกสิบคนก็คนนี้ส่งแล้วนะคนนี้ยังไม่ได้สง่งหลวพ่ก็จะอ่านให้ฟังนะคนไหนยังไม่ได้สง่งก็เข้ามาสง่งทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มารมารบกวนนะถ้าถามวานไม่ทำาพ่ ก, ก็เพย่อที่ให้นะจัก แต่งธุระอะไรทางบ้านให้เรียบร้อยแล้วเวลาบอกทางบ้านเออนี่ไม่ได้โทรศัพท์นะหวันเจ็ดวันที่เหลือนี่ก็บอกเขาถ้ามีอะไรก็โทรมาที่ทางวัดถุกเฉิญก็บอกเบอร์ทางวัดเข้าไปมีการยือบเบอร์แม่ครัวก็ได้ที่เขาดูแลครัวว่าเออให้เขามีอะไรโทรมาเบอร์นี้นะก็ฝากไว้เพื่อป้องกันอเจ้ากรรมในเวรมาทวงเอาอบุญคุณ จากที่เขาเราไปนหนีเขานะฉะนั้นการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสองประการนี้ให้ได้จำได้ไหมอะไรอาวุธสองชิ้นคือหนึ่งลืมไปละอะไรหนึ่งอะไรนะจับฮะเงาธณีหมายถึงความอดทนคือขันติอาวุธชิ้นที่หนึ่ง สยกมานเลยอันที่สองมานบางตัวมันเหนิวแน่นมากมันมีสองกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าเสนามานมีห้าตัวกลุ่มที่สองเรียกว่าพยามานพวกเสนามานหรือลูกน้องมานเนี่ยใช้แค่ขันติก็จัดการได้ละลบใช้แค่ดาบขันติลูกน้องมานมีห้าตัวมีอะไรบ้างเราก็เจอมันทุกวันนะนะหนึ่งอะไรขีเหยียดอสองอึดอัดและเบื่อสาม ง่วงสี่ฟุง้งซ่านห้าลังเลสงสัยหดหูนี่ห้าตัวนี้น้องลูกน้องนะไม่ใช่ตัวพยามาร น, นะแค่ลูกน้องมันถ้ามีกำลังขันติคอบทนเข้มแข็งหน่อยเอาชนะได้ผ่านได้ไม่ต้องใช้ปัญญาก็ได้ในกูเนี่ยแค่ปราบกำลังกันเดี๋ยวเดยมันก็ผ่านแล้วแต่ตัวพยามานเนี่ยจำเป็นต้องใช้ดาบที่สองคือตัวห้าตัว 1. ขันธมาน มันมามันจะมาบีบเรานะบีบขาบ้างบีบแข้งบ้างบีบไหลบ้างบีบหัวมันจะบีบหน้าบีบตาขาไม่เคยปวดดักมันก็ปวดหนักขึ้นมาเนี่ยมันไม่บีบขาเราในส่วนไหนเจ็บมันปวดมันเคยเจ็บเคยปวดไม่ใจ่ปวดตรงนั้นมากเราต้องพลิกนั่งไปสักพักหนึ่งก็พิกจนเน็บกินชาอันนี้แล้วขันถมานมันมาทางอาศัยร่างกายขันขันของเราสองกิเลสสมานอันนี้ มันมาเป็นเรื่องไปเล่าให้เราคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องีคิดที่ไม่ดีอ่ะคิดที่เป็นอกุศล น, นะเรียกว่ากิเลสมานคิดในฝ่ายที่เป็นอกุศลอะไรในอดีตที่เราทำมาเนี่ยมันเอามาคิดนี่คือเรียกว่ากิเลสมานมานตัวที่สองมารตัวที่สามเราเทวปุตมานอันนี้เรื่องคิดดีไม่คีมันคิดไม่ดีใช่ไ้ยเรียกกิเลสมานคิดในทางดีก็เป็นมานเหมือนกัน เช่นอท้ฉันปฏิบัติเท่านี้แล้วฉันจะไปสอนพ่อบ้านจะไปสอนลูกสอนหลานจะไปสอนพี่สอนน้องให้ทําได้กับไปนี้ฉันอยาเปลี่ยนชีวิตจิตใจใช่ไหมอย่างนู้นคิดในทางที่ดีอันนี้ก็เป็นมารเหมือนกันหลอกลอก่ลอให้เราออกจากตัวไปคือมารพยายามที่จะเอาความคิดดีก็ได้ไม่ไดีมาหลอกให้เราเนี่ยลืมตัวเราคิดในสิ่งที่นี่ลืมตัวได้ไหมลืมได้โอยจะต้องแผ่เมตตายอย่างนู้นอย่างนี้ต้อง แผ่เมตตาให้สมมาสัตว์ออกไปนี้ฉันจะดูแลพ่อแม่อย่างดีจะออกไปนี้ฉันจะดูแลสามีภรรยาเป็นอย่างดีคิดออกไปหาวิธีการทําให้ลืมเนือ ล, ลืมตัวนี่เรียกว่าเทวบุตรมารมันมาในรูปของความคิดดีเรียกว่าวเทวบุตรตัวที่สี่เรียกว่าอะพี่สังขารมานอ่ะตัวนี้สําคัญอะพี่สังขารมานหมายถึงว่าปฏิบัติไปแล้วมันเกิดสงบได้ปีติได้เข้าใจธรรมะได้เกิดเห็น ธรรมะเห็นอะไรขึ้นมาเกิดดีใจภูมิใจเกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดร้องไห้หัวล้ะขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นอภิสังขานมันมาเหนือเมฆหมายความมันได้สภาวธรรมแล้วมันเกิดไปติดใจอ่ะนีเป็นอภิสังขารมันมาเหนือเมฆทําให้เราได้สภาวะที่ดีๆแล้วไปติดมันได้เกิดความคิดได้ปัญญาได้ปีติได้ไดกุศลกุศลธรรมขึ้นมาคิดที่คิ ด, ค ด, ค ด, คดว่าเห็นธรรม เข้าใจทำบางคนมีนะปฏิบัติไม่กี่วันก็เห็นสภาวะแบบนี้นี่เรียกว่าอภิสังขมารมันทําให้เราลืมตัวนะมานตัวสุดท้ายเรียกว่ามัดจุมานมัดจุมานนี้แปลว่าความกลัวอมานมาในรูปของความกลัวอปฏิบัติไปแล้วกลัวมันเพี้ยนปฏิบัติไปแล้วกลัวมันบ้าปฏิบัติไปแล้วกลัวมันเป็นโรคค่อยๆเจ็บปฏิบัติแล้วกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมา แม้กระทั่งกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะฉะนั้นบรรดาความกลัวทั้งหลายเรียกว่าพยามัจจุราชความจริงความตายเนี่ยไม่ได้ไม่มีใครกลัวหรอกความตายใช่ไหมแต่สิ่งที่น่ากลัวคือกลัวความเจ็บก่อนที่มันจะตายตายนี่ไม่ลู้อะตายแล้วแต่ความเจ็บที่น่ากลัวที่สุดอย่างเป็นโรคมะเร็งเนี่ยทาไมเขาจึงกลัวเพราะมันเจ็บแบบทรมานเขาจึงกลัวโรคมะเร็งเพราะอะไรมันทรมานเราไปเห็นคนป่วยน่ากลัว นะนั้นเรียกว่าพยาแม จ, จุมานโรคอะไระไร้ายแรงที่เราไปโรคประจำตัวเนี่ยเดี๋ยวมีพยามัม จ, จุรอเราอยู่แล้วในนั้นนะโรคโอ้ไม่ได้กินยาโกเบาหวานจะขึ้นไม่ได้กินยาโกวความดันจะขึ้นไม่ได้กินยาโกหัวใจกำเริบไม่ได้กินยาโกจะมันกลัวทั้งนั้นเลยนี่เขาเรียกว่าพยาแม จ, จุมันอยู่มีอยู่ในตัวเราแล้วมีใช่ไหมมันจะมาหลอกเราโอ้ปฏิบัตินี้ไม่ได้เนะีเดี๋ยวไป น, นั่นไป น, นี่อะ ยากหน่อยนะห้าตัวนี้ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นดาบที่หนึ่งคือขันติพยะยาปลาลูกน้องมาได้มีห้าตัวคือนิวรห้าดาบที่สองคือพรยาคู่มันต้องปราบห้าตัวนี้มันเคยส่งลูกน้องมาแย่แล้วก่อนถ้าเราอ่ามันรู้ว่าเราเอาชนะลูกน้องมาได้มาส่งตัวตัวมันมาเองเลยตัวพรยามาเองเลยห้าตัวเพราะฉะนั้นลูกน้องมาร ม, มีห้าตัวได้แก่อะไรบ้างหนึ่งขี้เกียจสอง อดอัดแลกเบื่อหนายไม่ไม่สนุกขัดแยง้งสามง่วงเงาห้านอนสีฟุ้งร้างฮิตฝันเลื่อนลอยเป็นเรื่องราวต่างๆดึมตัวห้าความรังเลยสงสัยนี่ลูกน้องนาะสำหรับตัวพยาก็มีหเหมือนวันนี้เราเอ่ยชื่อมั น, ม, นมันต้องพากันมาแน่เราวังให้ดีกันแล้วกันนะเ <laughs> ตรียมดาบให้ดีกัน <laughs> แล้วเอ่ยชื่อทั้งทั้งลูกน้องแล้วมันมันแน่แค่ไหนพ่งนี้มันท้ากูเนี่ยวันนี้เอ่ยชื่อกูกูต้องมาเล่นงานวันนั้นต้องระวังตัวใครตัวมันกันล้ววันนี้นะแต่หลวงพ่อก็จะช่วยเหมือนกันถ้ามันใขล้เข้ามาใกล้เข้าใครมากๆหลวงพ่อก็จะเตรียมไม้ไว้เหมือนกันนะตีให้เต็มที่แต่ตีมานไม่ใช่ตีโยมนะตีมานประมาณมันเข้ายมเหมือนแกผีเข้านะเขาใช้อะไรนะใช้ เออใช้หนอใช้ขาบ้างใช้อะไรแหกบ้างนะเพื่อจะแหกออกมาออกนะใช้มีดแหกใช้มีดหมอนะเพื่อจะเอามาออกนั่นมาหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีกัแล้วมันเข้าใครจะว่าหลวงพ่อไม่ได้นะหลวงพ่อตีมานต่างหากไม่ได้ตีโยงให้นินท้อยแบกไม้ฮันเร็วเช่นอันนะี้นะดังนั้นเราก็ต้องใช้อุบายหลายอย่างนะที่จะไล่มันออกแต่ที่สําคัญที่มันกลัวคือ กลัวพุทธะมารกับพุทธเนี่ยมันมีบาลังเดียวกันแต่ว่าถ้ามารยึดได้พุทธก็ไม่เกิดแต่พุทธเจ้าท่านยึดบาลังนั้นได้มารถึงไม่ยอมไงที่ยกทับมายกทับมาทั้งลูกน้องทั้งพยาออมาหมดทั้งสิบตัวเลยลูกน้องก็มามารก็มาทั้งสิบตัวพุทธีเจ้าก็ใช้ดาบที่หนึ่งใช้ขันติปราบลูกน้องมันตัวพยาผู้เช้าพุทธเจ้าไปใช้ดาบที่สองคือใช้ปัญญาคือมวยผม บีบน้ําออกมาท่วมทับหมดเลยนะอุปสรรคต่างๆไปหมดเลยหมายความว่าเราเกิดตัวสติเกิดปัญญามากมายไหลออกมาเหมือนน้าเลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคความคิดอะไรต่างๆทั้งทั้งสิประการที่ว่ามาเนี่ยเอาชนะได้หมดกองทัพพญายมันก็พ่ายแพ้ไปนะแล้วก็มาราชญูเนี่ยเป็นผู้ชนะมานแต่เรากล่าวออกมาเนี่มันเป็นปรามัตดมันเป็นความหมายทางด้านปรมัดเราเข้าใจไม่ได้ โบราณเขาเลยทําเป็นปิศนาขึ้นมาวาดรูปขึ้นมาเออตัวขันติมันน่าจะเป็นแม่ธรณีนะเพราะแม่ธรณีคือแผ่นดินอดทนได้ทุกอย่างจะเผาจะตับจะขุดยังไงแผ่นดินไม่เคยบน่นไม่เคยว่านะเขาก็เลยเปรียบเอาแม่ธรณีคือขันติความอดทนและแม่ธรณีต้องคนมีความอดทนต้องใช้ปัญญาด้วยถ้าไม่ใช้ปัญญามรรยากาศเป็นเก็บกดแล้วเก็บกดเดี๋ยวมันระเบิดขึ้นมามันหนักกว่าเก่าอีก ก็มาใช้น้ำคือปัญญาเหมือนน้ำดับความร้อนด้วยความบทุนมันร้อนนะความร้อนก็ใช้ปัญญาเข้ามาดับก็คือแก้ไขพยยิจารณาเพราะนั้นวันนี้เราต้องเชิญะจนมาณนะถ้าหากว่าคุณไหนะจนไม่ผ่านมันพก็พจะช่วยด้วยวิธีการต่างๆถ้าหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อไม่เห็นก็ตัวใครตัวมันก็เล้กกันมานอุ้มไปเลยกลับบ้านนะมันพาไปเลยก็มานอันแรกก็เอามา นะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเอาทุศัพท์มาเซบาตก็จะจดชื่อจดเสียงไว้ว่าใครส่งหรือไม่ส่งคู่จิทําหน้าที่เป็นเลขาหน่อยวันนี้บันทึกใครส่งแล้วก็จดชื่อไว้เวลามาวันรับก็จะได้รู้ว่าใครส่งหรือไม่ส่งก็จะได้ถูกตามนั้นนะเอาละเช้าเช้านี้ก็ขอมุทนาสาธุ น, นี่เราได้ตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะเอาชนะมารให้ได้นะแล้วเราก็จะได้มีตัวพุท ธ, ธะ ขามัอยู่ในใจของเราเพราะมามาอยู่ในใจของเรานานนับหลายปีแล้วเท่าอายุของเรามันถึงทุกขณะนี้เมื่อเอาพุท ธ, ธมาเปลี่ยนเราก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่อสู้กันือขวัญตีความอดทนและปัญญา <c oughs> ความรอบรู้และความรู้ทันขอให้เราทั้งหลายได้มีความเข้มแข็งความตระหดอดทนความอดกล้าหารในการที่เอาชนะรมนันทุกต น, ท, กตนทุกตัวได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ